พระทรงเป็นจอมทัพไทยมิ่นควันเหล่าทหารจงรักพระปีอย่างยืนนานเธราชวงศ์จักรีด้วยพระมหาธรรมนาที่คุณใต้ร่มพระบารมีกองทัพไทยเสด็จปีถวายพระเกียรติด้วยชีวิน พ่ทอทรงนำความร่มเย็นความรัดในแผ่นดินพ่อเดินก้วไปทั่วทุกทิ้นิกฝืนเป็นแผ่นดินทองเจ็ดสิปีที่พอ่อทรงงานให้บ้านเมืองของเราเรืองรองประชาทั่วโลกแท่สองในหลวงรัชกาลที่เกา้า พระองค์สถิตในหัวใจหอมคนไทยทั่วลาทุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้อมนำทาต่อไปด้วยหัวใจเยาวินขอสัญญาจะรับชาติไปจนสิน้นสุด ลมหายใจ ใิไม่หัวใจความคนไทยทั่วลลาทุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้อมนำทำต่อไปด้วยหัวใจจะวินขอสัญญาจะรรบาติไปจนสิ้นสุดลงหายใจ สถิตในหัวใจของคนไทยทั่วล้าทุกคำสอนที่พ่อนำพาจาฟฝาลมมาสู่ดินสูขอน้อมดำทําต่อไปด้วยหัวใจยิวินขอสัญญาจะรรบชาชิไปจนสิ้นสุดลมหายใจ สัญญาจะเป็นคนดีของแผ่นดินเพื่อประเทศไทยดำรง